ธรรมเทศนาตามาจะอธิบายธรรมะให้ฟังเบื้องต้นเราพุทธศาสนิกชนปฏิบัติธรรมตามธรรมคำสอนของพุทธเจ้าจะต้องปฏิบัติเป็นลำดับจึงจะถูกต้อง ทันถ้าไม่ปฏิบัติโดยลำดับไม่ทราบว่าเราปฏิบัติขั้นไหนเพียงเพียงแค่ไหนก็ไม่รู้เรื่องถ้าหาก็มันเสื่อมก็ไม่ทราบว่าเสื่อมยังไงมันเสื่อมจากหลักพระพุทธศาสนาได้อย่างไรเห็นนะั้นจึงค่อยตั้งใจฟังจะอธิบายโดยลำดับ อธิบายลำดับนั่นก็ไม่มีอะไรหรอกเรียกว่าทานศิลภาวนาเหล่านี้เราไปเสีก่อนทานทานนั่นค่อยก็รู้จากทุกๆคนที่ว่าทำทานแต่ขอให้พิจารณาอีกสีก่อนให้ฟังอีกทีหนึ่งเสีก่อนอย่าเพิ่งโมเมว่าเข้าใจแล้วเรื่องทำทาน คนที่เข้าใจว่าตนรู้แล้วเข้าใจแล้วย่อมฟังสิ่งนั้นไม่เข้าใจสิจ่งนั้ทั้งฟองมดก็เหมือนกันเรารู้แล้วเราเข้าใจแล้วเราเป็นแล้วสิ่งนั้นเมื่อทำกันจริงจรงจั ง, จ ง, จงไม่เป็นอันนี้ก็ฉันเดียวกันทานนั้นรู้จักแต่ว่าทาน รู้จักก็ยังมาท่านจบสิ้นสมัย เ, เรื่องเรื่องรู้จักทานก็ดียังมีเยอะแยะทานในพระพุทธศาสนาท่านสอนเหมือนกับไม่เหมือนกับทานเดิเขาเขาสอนกันทั่วไปทั้งโลกเขาสอนทั่วกันไปหมดนั้นไม่มีขอบเขต ในพุทธศาสนานี่มีขอบเขตทานสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ทานจิตให้เป็นโทษนั้นยิงฐานถูกในพุทธศาสนาสิ่งที่เป็นคุณไม่ประโยชน์แกผู้ที่รักเรียกว่าทานเป็นประโยชน์ทานอีกอย่างหนึ่ง ฐานนะั่นคือหมายความถึงฐานเนะวัตถุจากขะสระให้เป็นให้เป็นทานอันนั้นไม่มีไม่มีวัตถุฐานนี่ต้องมีวัตถุสิ่งของหนึ่งแล้วก็มีผู้รับเป็นบุคคลอีกคนหนึ่งเป็นบุคคลเนื้อวัตถุหรือสิ่งอะไรก็ตามถึงผู้รับต้องมีวัตถุ ผูทานต้องมีวัตถุผู้รับก็ต้องมีมีตนมีตัวอันจึงเรียกว่าทานนะั่นแหะทานนี่เป็นทูตสําหรับส่งผลบุญกุศลให้แก่คนที่ร่วงลับไปแล้วดีนะนอกจากทานไม่มีสิ่งใดที่จะส่งให้ถึงผู้ตา้ได้ผู้ที่ร่วงลับไปแล้วมีทานเท่านั้น ฐานที่วัตถุที่เรียกกับวัตถุนั้นท่านพูดถึงเรื่องฐานคือให้เข้าให้น้ำให้ผ้าพ่อนเครื่องนุ่งของหกยั่วยานภาชนะดอกไม้ธูปเทียนเครื่องรูปไม้ของหอมที่อยู่ที่อาศัยเหล่านี้เรียกว่าวัตถุ เมื่อให้ให้แกผู้ให้แกว่าแกผู้ที่รับเป็นประโยชน์แกผู้ที่รับให้จริงเหล่านี้ต้องเป็นประโยชน์แน่นอนอย่างน้อยที่สุดก็ได้บริโภคเช่นให้น้าให้ขา้าวให้น้าเป็นต้นหรือผ้าผ่ออย่างนี้เป็นต้ น, นยิ่งหรือดูหนาวเลยชอบนัก านผ่านคนที่ทุกข์ที่จนจะได้รับไปฐานรับะบุริโภคใช้สอยดีนะกคือดูนี้ถ้าหากก็ให้สิ่งอื่นนอกนั้นไม่มีวัตถุฐานไม่ไม่มีวัตถุฐานฐา น, านนะวัตถุที่ให้ไปนั้นย่อมเป็นประโยชน์แก่ตน ประโยชน์แก่ตนคืออะไรเราให้แล้วย่อมเกิดความดีใจพอใจเกิดพึ่มปีติยิมอกอิ่มใจอันนั้นนั้นเป็นประโยชน์แก่ตนเป็นประโยชน์แก่คนอื่นแก่ผู้อื่นเขาได้ไปแล้วได้บริโภคใช้สอยอันนั้นเป็นประโยชน์แก่คนอื่น อันนี้เรียกว่าฐานฐานนั้นถ้าหากว่าเรารู้แล้วแต่เราไม่สามารถทีทำคนเรานะั้นมักรู้ก่อนก่อนคนธรรมดามักรู้ก่อนสิ่งองหมดทานนี้ไม่เคยทำแต่ว่ า, ารู้จักที่จะทานถ้าหากเ้าถาม ทานน่ะประโยชน์อะไรก็พูดได้ดีตัวฉันเป็นตัวทำทานตัวฉันไม่พูดทำทานทำทาบุญทำทานทานเมื่ อ, อไรก็ได้ทานสิ่งอะไรก็ได้แต่ไม่เคยทำทานโดยเฉพาะเรื่องพระพุทธศาสนา ลองคิดดูอะทุกๆคนทานในพุทธศาสนาวันเกิดปีหนึ่งยังค่อยคลอกปีหนึ่งเนีคยก็ถึงข่าวหนึ่งหรือทานกับคนอายทานในอุทิศแก่คนตายอย่างนี้เป็นตน้นคิดดูอพระเจ้าพระสงฆ์อย่างนี้เป็นตน้นอาศัยชาวบ้าน การอยู่การการฉันหรือผ้าของเครื่องนุนกะผมต้องอาศัยชาวบ้าน <c oughs> เพราะพระไม่ทำมาหากินเป็นในปันหาสแสวงหาไม่ได้ถ้าหากว่าไม่มีชาวบ้านไทยแล้วพระก็ต้องลำบากในพระพุทธศาสนาต้องเป็นอย่างนั้นลองคิดดูว่า ปีหนึ่งยังคบแต่ละคนแต่ลคนในปีหนึ่งยังพบวันเกิดที่หนึ่งลองคิดดูวันพวกที่คันถ้าหาไม่ถึงวันเกิดผ้าก็ไม่ได้ฉันก็ไม่ได้ฉันเนี่ยผ้านั้นจะไม่ตายหมดหรือผ้านั้นอยู่ได้ที่ไหนอั น, นี้แหละสําคัญคอสําคัญ ที่อยู่ได้นั้นเพราะคนอื่นเขาทําบุญําธารตลอดเวลาแต่ข้ามีอยู่ได้ทางหากว่าค่อยๆตั้งแต่พระไอ้แต่คอยตั้งแต่โยมที่จะทําบุญอายุใอ้ครบรอบปีหนึ่งยังค่อยทําบุญทีหนึ่งพระอยู่ไม่ได้เด็ดขาดเลยไม่มีพระนี่ ศาสนานี่หมดเท่า น, นั้นนี่ยังให้คิดให้พิจารณาถึงเรื่องทมทานรู้จักทานแต่ไม่รู้จักทมทานอันนี้พูดมากมันก็ยืดยาวให้พิจารณาเอาถึงเรื่องทานนี่เป็นขั้นต้นถ้าหากจะประพฤติปฏิบัติศาต า, นานต้องขึ้นขั้นนี้ก่อน ถ้ามีฐานจะแล้วหมดฐานตอไปก็ไม่ได้ฐานนั้นเป็นเครื่องบำรุงจิตใจคลองเราให้พองใสค่อยกระเถอบขึ้นไปโดยลำดับที่จะรักษาสินต้องมีฐานเป็นพื้นใก่อนทฐานไม่ต้องทำแล้วมีแต่เอาได้รักษาสินก็แล้วกันหรือสินก็ไม่ต้องรักษา เขาจะภาวนาก็แล้วกันอย่างนี้เป็นตน้นบางคนพูดทานไม่ประโยชน์มากเค่เดียวเป็นเหตุให้สละทำจิตให้เป็นคนสละความเจ็นหนีเหนียวแน่ของตนให้สละลงไปได้จิตใจของเรามีการสละทำฐาน ไม่ใช่เป็นประโยชน์แก่คนอื่นเป็นประโยชน์แก่ตนเองในเมื่อเราสละจากข้ลงไปแล้วจิตใจก็พร่องใสหากว่ามันเกิดมีอุปัติเหตุต่างๆเป็นไฟไหม้บ้านหรือไหม้เรือนสิ่งของต่างเขารักเขาชอบเข า, ขามอต่างๆเราก็ยอมสะละได้ ทานนั่นันนั้นก็ยังทานได้ทานข้าวนั่นก็ยังทานได้ทํำไมยางสาระไม่ได้ด้ยนี่ก็สบายใจนี่มันเป็นประโยชน์ไปทั้งนี้ถ้าหากว่ามีแต่มัธยนต์นีเแน่วแน่ไม่ยอมสาระเฉยจิตใจของฮดหูใจใจไม่เบิก บ, บานลองคิดดูคนทาทานจิตใจยังกวงขววงคนไม่ทําทานในใจิตใจฮดหูเหี่ยวแห้ง เดี๋ยวคนเห็นแก่ตัวฐานมีประโยชน์มากยังอธิบายมาเนี่ยอันนี้เป็นขั้นต้นผู้จะรักผู้จะปฏิบัติศาสนาต้องขึ้นนี้ซะก่อนขึ้นที่อื่นไม่ได้ไม่มีที่ขึ้นแล้วขึ้นตรงทำทานนี้ซะก่อนการรักษาจินตภาพ น, ะะนี่เป็นขั้นที่สอง รักษาสินสินก็รู้จากทุกคนทุกคนแต่ว่าจะยอมรักษาหรือไม่ถ้ายอมรักษาก็ะสินก็เกิดมีขึ้นในตัวของตนในกายในใจของตนถ้าไม่ยอมรักษาสินมันก็ไม่มีสินไม่ใช่ว่าี่อื่นแต่ไกลอยู่ที่ตัวของเรานี้ เรารักษาไม่ได้ ก, ก็มีขึ้นเหมือนนั้นถ้าหาเรารักษาแล้วความบริสุทธิ์หมดจดก็มีในตัวของเราการที่รักษาศิลเราต้องงดเว้นเป็นข้อขอ้อศีลที่เรารักษานั่นหมายความว่าเราก็พฤ้นผิด เช่นว่าฆ่าสัตว์ ร, รักษาเพื่พื่ผิดวิจฉาจายาของหงส์สว่าดืด่มสุราไม่ไรนี้เป็นต้นนี่เดียวกระสีนะเราทำแล้วเรายังค่อยยังค่อยรักษายังค่อยงดเว้นจึงค่อยเป็นศิลถ้าคนไม่ทำเฉยเลยไม่เป็นศิลถึงงดเว้นก็ไม่เป็นศิล อย่างเด็กมันนอนอู่พระอ้อมไม่ใช่ไม่ใช่ศีล น, นั่นแหะเด็กก็ไม่รู้จักทำอะไรมันไม่ใช่ศีลศีลมันต้องมีเจตนางดเว้นโดยเฉพาะเห็นว่าความชั่วในตัวในตัวของเรามีในที่นั้นคือไม่รักษาศีนขอนั้นข้อนั้นเรียกว่าความชั่วเกิดขึ้นในตัวของเราเราจึงตั้งใจงดเว้น รักษาสิตอันนั้นเเรียกว่าสินสินนี่เป็นของมีอยู่ไม่ได้อมาที่ที่อื่นที่ไกลที่ไหนหรอกที่เราไปขอกับพระเรียกว่าศีลอา่าจามะข้าพระเจ้าขอจิตด้วย ไปขอพระพาต้องให้สิน้นตามธงุดปัญญตัติท่านไม่ได้ให้ไม่ได้อื่นท่านเป็นได้เพียงสักขีพยานเพื่อไม่ให้เราพอพิร่วงละมืดคึกเกรงกลัวทำอะไรเกรงกลัวใจท่านเกรงกลัวท่านเป็นสักขีพยานให้เพิมให้เท่านั้น ชิ้นเป็นของเกิดขึ้นในตนของตัวถ้าหากเรารักษาได้ความบริสุทธิ์ของเราก็มีรักษาไม่ได้ก็ไม่มีความบริสุทธิ์ก็ไม่มีโดยส่วนมากรักษาชิ้นตามประเพณีถือมาแต่ปุระโบราณอาจารย์และปุญญาตายายถือมาเขารับกับรับไปตามเขาอย่างนั้นเนี่ยแต่ชิ้นที่จะงดเว้นจริงๆนะจัง เป็นข้อคอไม่มีไปรักษารักษาศีลไปสมทานศีลที่วัดพร้อมเพียงกัดิบดีแต่กลับบ้านแล้วหายหมดศีลไม่มีเลยไปเพียงแค่ตัววัดก็ ก, ก, ก, กลับคืนมามดศีลหรือพังเทียนลุกขนนอนพลั้วลงช้ำศีลเลยไม่ไปกับโยมเลย รับรหาพระของเก่าพระเลยรักษาศีลได้ให้โยมวันหลังมาขออีกมาขอไม่แล้วไม่ตัวรักทีพระเป็นคนรักษาศีลเป็นคนเลี้ยงศีลไให้โยงต้องการแเมื่ อ, อไรก็เขาไม่เอาอันนี้นะ่ะรักษาศีลไม่ถูกรักษาศีลไม่เป็น ถ้ารักษาศีลเป็นอย่างที่ว่ามามีเจตนา ง, งดเว้นในข้อนั้ น, น, นเห็นศีลตองตนบริสุทธิ์ด่างพร้อยตรงไหนก็หินข้อไหนด่างพร้อยก็เห็นศีลของตนด่างพรอยนานนะเข้าเลยศินเลยรักษาตัวข้านี่เราไม่ต้องรักษาศีล คำว่าสินรักษาตัวก็คือมันช้ำนี้ช้ำนานคล่องจอบากกรรมต่างๆเราไม่สามารถจะร่วงละเมิดได้เพราเห็นที่จะสาติจะต้องฆ่ามันก็คืดเอ็นดูแล้วเห็นจริงของก็จะต้องรักต้องถมวยก็มันเกิดเมต่อตาอยาดูแค่คุณนั้นแหละอย่างนี้เป็นตน้นอันนั้นเรียกว่าสินรักษาเรา เราไม่ต้องรักษาสินกาดนี่สบายเลยจิตใจผองใสเบิกบานตลอดการเวลาอันนี้รักษาสินรักษาสินเป็นมันต้องอิม่มจิตใจเบิกวานผองใสอันนัะไม่ต้องไปแล้วไม่ต้องไปขอกัพระแล้วค่ะนี่สินมีอยู่ทั่วทุกแห่งทุกคนทุกคนเลยอยู่ที่กายวาใจัใจของเรานี้ นี่แหละจริงว่ารักษาสิ้นแท้ไม่ใช่ว่ารั ก, รกษาสิ้นเมื่อไหไรก็ได้เราอยู่ที่กายที่ใจของเรานี่ยแหละรักษาเพื่ออะไรก็ได้จริงแต่มันไม่รักษาสักทีนั่นทีมันยังละเลืงมาจนฝ่า น, นี้แต่มาจึงบอกว่าอย่ารักษาสิ้นห่าให้รักษาสิ้นตัวเดียว ชตัวเดียวมันรักษากันจริงๆแจ็งอย่างค่าสัตว์ในเรงดเว้นเด็ดขาดให้รักษาจริงๆงจังอย่าไปรักษาวันสองวันเท่านันา้นรักษาเป็นปีปีสมมติว่าค่าสัตว์ลัก ข, ข้อหนึ่งอะรักษาให้ได้ อย่างน้อยตั้งหกเดือนลึกไปยีหนึ่งให้มันชานีชนานาญไปก่อนเอาจนศีนลรักษาตัวเองอย่างที่ว่านี่แหละรักษาตัวของเราอย่างที่ว่านี่ลแล้วเนี่ยต่อไปค่อยรักษาข้อที่สองคือรักทรัพย์อันนั้นถ้าหากว่ามันรักษาไม่ได้ก็ต้องรักษาตั้งเป็น ีนะเป็นเดือนในปีคนะน่ะทำมันจะนี้ชำนานจริงๆเาจะมาบอกว่ารักษาสินง่ายนิดเดียวรักษาสินสองข้อเนี้ยลองดูงั้นข้อบนนั้นกลับมารักษาง่ายมดไม่ยากเลยคือเมื่อเกิดเมตตาเกิดสงสารเกิดอินดูแกหมูสัตว์แกมนุษย์ทั้งปวงมด เห็น อ, อกเขา อ, อกเราใจเขาใจเรามันถักสินมารวมเองอกมามาอยู่ในตินเองดอกอันนี้เมื่อรักษาสินเราเราจะมองเห็นเนี่ยค่ะนี่ความชั่วของเราหายไปหมดไปเลยความชั่วหมดไปนั่นแหละมันจะชอบใจในการรักษาจินยินดีพอใจในการรักษาจิน เมื่อจิตใจไม่มีกังวลไม่มีเกี่ยวข้องไม่มีของอจิตใจไม่ของใสไม่ไม่เกี่ยวข้องกัวลก็บาปกระทำห่วงแล้วจิตก็บริสุธิ์จิตใจของใส่แล้วก็เห็นสมาธิทันทีนะครับสมาธิน่ะความจิตที่ของใส่เบื้องสุดสเป็นหนึ่งในะนั่นแหละตัวสมาธิ เป็นสมาีวิ่งขึ้นมาหาตัวไม่ไม่รู้เรื่องเลยฉันส่วนปัญญาเนะี่ยไว้ต่างหากเอาเท่า น, นั้นเถอะก่อ น, น, นส่วนปัญญาไม่ต้องพูดหรอกปัญญากลับมาขามาหาโทบทวนคือมาที่หลังเลยค่ะนี่ยาถ้าหากคนไม่มีปัญญาไม่มีทาง คนไม่มีสมาธิก็ไม่มีธาตุไม่มีปัญญาก็ามัมีสมาธิไม่มีศีลขาไม่เว้นไม่มีปัญญาไม่มีสมาธิกลับไปอย่างนี้มีทรัพย์สินเงินทองกองมากมายไม่มีปัญญาจะทาบุญทำทานได้ยังไงมีแต่วงแหนมัทนามัทนะชนีแนวเนี้ยอันนั้นไป ขั้นะระนาดทองได้มากมาย่ยพระพุทธเจ้าทำไมเทศนาปัญญาข้อจริงของเท่าไหายนั่นเป็นของศาสนะเป็นของอยู่กับโลกไม่ใช่ของไปกระเราของเราแท้คือผลฐานต่างหากขั้นมองเห็นอย่างนี้เขาเรียวกว่าปัญญาได้สิคนไม่มองเห็นอย่างนี้จึงไม่สามารถที่ตำทานได้ลองดูสิเวลาตายแล้วไปที่ไหนได้ ไม่เห็นอะไปด้วยนั่นแหละที่ว่าของอยู่กับโลกยังมีน้ํายุ่งซะอีกเลือดร้อนนวดไหวคนที่อยู่ทั้งภายหลังยุ่งกันนะแยงกันเขาตายแล้วเขาแยงกันภายหลังคนนั้นเลยเป็นเหตุให้เขายุ่งเขาแยงกันนั่นแหละคนไม่มีปัญญาคนไม่ปัญญาไม่สามารถรักษาสินได้ คนไม่เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมจะรักษาสินได้ไงเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมที่จะรักษาสินได้การทำผิดสินทุกข้อเป็นกรรมเป็นเวรเป็นบาปบาปเป็นของกายของเรานั่นแหละอยู่ที่ตัวของเราเนี่ยเกิดขึ้นที่ตัวของเราคนเราเห็นโทษเห็นกรรมอย่างนัน้นเป็นของของเราแท้ คนอื่นไม่สามารถรับ Augen ของเราไปได้เห็นชัดอย่างนั้นเออใครที่จะไม่สามารถรักษาชินได้ก็ต้องรักษาชินได้สิอันนี้ไม่มีปัญญาอย่างนั้นจึงไม่รักษาไม่สามารถรักษาชินได้อันนี้เรว่าคนมีปัญญาจึงรักษาชินได้คนไม่มีปัญญาไม่สามารถรักษาชินได้เลยคนที่มีปัญญา ียงค่อยสามารถทำสมาธิให้เกิดขึ้นสมาธิที่จะเกิดขึ้นได้เพราะมีแยกคายภายในตัวของเราพิจารณาเห็นอไอเห็นไอเห็นสิ่งหัึงพวงวดในโลกเป็นของไม่เที่ยงเห็นสิ่งหัึงพวงเป็นของถกสิ่งหัึงพวงเป็นอนัตตา แล้วสดสระวางสิ่งที่ผูงเรานั้นไดยิกใจก็เบิกบานเป็นสมาธินี่อาตมาที่บายเพียงแค่นี้เรื่องสินสมาธิปัญญาไอ้เรื่องทานเรื่องสินเรื่องสมาธิเอาเพียงแค่เนี้ท่านอธิบายถึงเรื่องทานเรื่องสินเรื่องสมาธิแล้วมันมีปัญญาในตัวพรอมในตัวจึงเรียกว่ามีปัญญาข้อเกิดยังข้อเกิดจริงทั้งหลายนั้น อ่านละอธิบายทีทนี้เราจงตั้งใจให้ตั้งจิตัใจจริงๆจังพอเวลานี้เราจะทำํำภาวนาสมาธิละสิ่งทั้งหลายที่กังวลเกี่ยวข้องโผพันอยู่ใน ใ, นใจของเราสะละปล่อยวางเหมือนมดไม่ใช่ปล่อยมดหรอกปล่อยเดียเด๋ยวนี้แหละอยู่เดี๋ยวนี้ในเวลานี้ล้ะออกไปแล้วมัน มันวิ่มาเองหรอในเวลานี้กําลังทำธรรมที่ภาวนาปล่อยวางมันมดยังมันมีกังวลเกี่ยวกัของจิตมันเป็นของอันเดียวแม่ของมากมายเลยครับงคันปล่อยมาวางมือแล้วมันก็มีแต่อันเดียวมันก็อยู่เป็นสมาธิต่นนี้อันนิดเดียวอยู่อยู่ที่นั่นนิดเดียวตอนจิตนั้นหลายนะเป็นเป็นอาการของจิต หลายเรื่องหลายอย่างเป็นอาการของจิตจิตแล้วของเร็วที่สุดเราเข้าใจว่าจิตหลายดวงแท้ที่จิตจิตดวงเดียวนัว่นเอความที่จะทำสมาธิต้องใช้สมาิกรบรจะเอาอะ ไ, กไรก็ได้อาพุทโทก็ได้เอานาปาสติก็ได้เอมวานานาสติก็ได้ <c oughs> ถ้อย่างนั้นเนี่ยคดเคี้ก็ไ ด, ได้ที่หลายอย่างหลายเรื่องนั้นท่านแสดงไว้หลายอย่างหลายเรื่องแล้วเต็กคนจะไปตนคนพูดพิจารณาจะไปพิจารณาได้ก็เอาพิจารณาได้ก็ไ ด, ได้แต่ว่าให้เอาอันเดียวคือไม่เอาหลายอย่างเพราะหลายอย่างมันพุ่งเสีย อันเดียวมันรวมมึงเฉพาะอันเดียวซ่นนั้นแม้ที่จุดอันเดียวก็ต้องทิ้งคือเมื่อจิตรวมแล้วไม่ต้องไปยึดออกนั่นเรานเรียกว่าเป็นสมาธิแหละจิตรวมมาเป็นจิตรวมเป็นสมาธิได้ก่อที่จิตจะเป็นสมาธิเราต้องพิจารณากาย พิจารณากลายเป็นของเปื่อยเน่ากระจิกูลเห็นพิจารณาเป็นธาตุจิตน้ำแผลมก็สุดแล้วแต่ไปพิจารณาเลยเถอะมันชัดโดยอาการใดให้พิจารณาหน่อยมันมันชัดลงไปแล้วมันมันชัดแต่หมายความถึงจิตมันเป็นสมาธิก่อนมันถึงจะชัดถ้าจิตไม่เป็นสมาธิไม่ชัดจิตไม่เป็นสมาธินั้นอันทํามันชัดนั้นเรียกว่าจิตเป็นไม่เป็นสมาธิ ให้วางเสียาการพิจารณานั้นให้มากําหนดเอาพิจารณาเอาพิจารณาที่ใจมาพิจารณาเอาอารมณ์มันไอกรรมฐานของเราเบื้องต้นนั้นถ้าไม่ชัดหัดอย่างนี้อยู่เสมอเสมอให้รู้จักว่าจิตของเราเป็นสมาธิหรือไม่เป็นสมาธิเห็นตรงนั้นน่ะตรงที่มันชัดหรือไม่ชัดนั่นะ อาหาก็มันชัดลงไปแล้วพิจารณาจริงลงไปแล้วมันรวมมอาอเป็นอันหนึ่งก็เรียกว่าจิตเป็นสมาธิเหมือนกันพระพุทธศาสนานี่ทั้งหมดรวบรวมใจรวมแล้วตกลงว่าจิตนั่นเป็นหนึ่งซะก่อนพุทธศาสนานรวมลงเป็นหนึ่งมีถึงที่สุดคือรวมเป็นหนึ่ง ไม่เหมือนสารนะไม่เหมือนวิชาทั้งอื่นวิชาทั้งอื่นยิ่งเรียนยิ่งกวง้างศึกษาเท่ายิ่งกว้างมากพุทธศาสนานี่รวมวา่ารวมเป็นหนึ่งทางนั้นเนีะยแต่พิจารณาแรกแรกรวมลงาเป็นหนึ่งหนึ่งเรีย ก, กว่าถึงที่สุดอนันไม่ถึงที่สุดนั่นคือมันไปตามอากาศ ถึงที่สุดนั้นหมดอาการคือไม่คิดไม่นึกหมดเท่านั้นไม่คิดไม่นึกมันจะรู้อะไรมันจะฉลาดได้ไงมันหากจะฉลาดมันหากจะรู้ขอเป็นเสียก่อนอย่าเพิ่งกลัวมันเลยคันหากว่ามันรวมเป็นหนึ่งแล้วจิตมันอันเดียวน่ะเนี่ยมันย่อมแสงสว่างย่อมปรากฏขึ้นโดยจิตอันเดียวน่ะ ถ้าหากว่าหลายอย่างเนี่ยมันมัวจิตมันวุ่นวายวุ่นวายสงสัยในสิงผวงแล้วมันไม่เห็นมันอยู่ในจิตแต่หมดทุกสิ่งทุกอย่างคันถ้าเห็นแล้วคันถ้าหาว่าจิตมันพ่องใสแล้วมันเห็นชัดในใจของตนเองอย่างว่าใจอันหนึ่งจิตอันหนึ่งนะไม่ใช่เดียวกัน จิตนั่นคือผู้คิดผู้นึกผู้ส่งผู้ใส่ผู้ปรุงผู้แต่งนั่นเรียกว่าจิตละทิ้งเส็ยวางสะถอนเสยอันเรื่องนั้นคิดนึกปรุงแต่งสัญญาลงกวงวัดวางเสีมันจ้มีอะไรครับมันก็ยังเหลือแต่ใจ